เป็นกิจที่สำคัญจริงๆกิจคือการกำหนดรู้การละการการเจริญเนี่ยนะกำหนดรู้ละเจริญเนี่ยนะสามคำสาคัญมากถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยนะในปฏิสัมพิถามนิยมยกข้อความในท่าสุตระสูตรมาแสดงมากจะเอาข้อความในท่าสุตระสูตรมาเป็นตัวอย่างในคำว่ากำหนดรู้ละเจริญ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 หนึ่งนะถ้าพูดเนี่ย้พูดหลักหนึ่งเอามั้ยทำหนึ่งที่ควรกําหนดรู้คือภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะเป็นปั จ, จัยแกอาาสส่อุปาทานนะภาษาสโสวอุปาทานิโยเนี่ยนะคือภาษะก็คือโลกิยาภาษะทุกชนิดควรกําหนดรู้อสมิมาณนะทุกอย่างควรละ ควรเจริญกายกัตาสติอันทอหรคตด้วยความสําราญนเนนี่นนะก็คือฌานทั้งหลายหรือกายานุปัสสนา น, นั่นแหละควรเจริญที่สุดนเนี่ย น, นะอันนี้พูดถึงหมวดหนึ่งหมวดสองทำสองที่ควรกําหนดรู้คือนามันจะรู ป, ปัญจะนามและรูปนามรูปเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้นามรูปเป็นธรนมรม ท, ที่ควรกําหนดรู้ทำสองที่ควรละทำสองที่ควรละนะอวิชากับภวะตัณหา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 ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทรสองคือนามรูปทรสามคือเวทนาสามทมสี่คืออาหารสี่ทมห้าคืออุปาทานขันห้าทำหกคืออายตนะภายในหกทรเจ็ดคือวิญญาณทิติเจ็ดท8แปดคือโลกะทรแปดทรเก้าคือสตวาสเก้าท1สิบก็คืออายตนะสิบจริงก็อันเดียวกันนะมาผ่ามันจุพันเยอะอะ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 ทำสรุปนะทับรับทำหนึ th ab. Th ab ่งที่ควรเจริญก็คือกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสาราญบทว่ากายคตาสติคำว่ากายคตาสติคืออะไรคือสติที่สัมปยุทธ์ด้วยการมณสิการถึงอนาปานสติอิริยาบทอิอิริยาบทสีอิริยาบทเล็กน้อยอาการสามสิบสอง้าสี่ป่าช้าเก้าและก็การกําหนดสิ่งปฏิกูล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 เจริญแต่ว่าเจริญโดยการกำหนดรู้กายโดยการพิจารณากายเนี่ยนะปัญกายคตาสติคือสติที่สัมปยุต ด, ด้วยรูปประชานถ้าเอาแบบสูงสุดเลยนะนกายคตาสติตรงนี้หมายเอาสติที่สัมปยุต ด, ด้วยรูปประชานสาตะสหคตาสหรคด้วยความสำราญมันกายคตาสติที่สัมปยุต ด, ด้วยฌาน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 หมายความว่าเหมือนกับว่าเป็นหมือนถ้าเปรียบเหมือนลับที่บรรดาลได้ท่านจะขอพอรมาขอให้สรสรพสัตว์ทั้งมวลนี่อยู่ด้วยกายคตาสติเจริญกายคตาสติใส่ใจแบบนี้เพราะอะไรเพราะการใส่ใจแบบนี้เนี่ยมันลดปัญหาได้เป็นหมื่นเป็นล้านปัญหาจะทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญหมดเลยจะไม่เดือดร้อนเลยแต่ถ้าใส่ใจตรงกันข้ามเมื่อไหร่ปัญหาเนี่ยตามมายุ่งเหยิงไปหมดเลย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 ของยอมบอกชัดค่อยชัดคำเลยว่าของมารยอมก็บอกว่าถ้าใส่ใจว่าบองงามมันกินข้าวบวล้ํเขาบอกงัก้นแต่ว่าถ้าใส่ใจอสุภาพมากๆมันกินเข้าไม่อร่อยเขาบอกงั้นอ้าก็อะไรก็จะได้ลิ้นหลายแฉกมัง้งมันถ้าก็อย่างว่านะถ้าอร่อยเท่าไหรก่ก็คิดเอากันแล้วกันว่าทํำสามที่ควรละคืออะไรตันหาสามถ้าตันหามันลดอีกก็เดือดร้อนอีกแล้ว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 สํานวนพระสูตร ท, ทั่วไปก็สงัจาจจากอกามสังัาจจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนี่ยนะเพราะนั้ น, ะนคําว่าเอากขจตาตัวเนี่ยเป็นเป็นความวิเวกที่ที่ไม่ไม่ลําบาก น, นะด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเพราะสงบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นสมถะสมถะเนี่ยเป็นเขตใกล้ของอะไรวิปัสสนาใช่ไหม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 ในส่วนที่อดีตก็ไม่ถึงปัจจุบันส่วนที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ถึงอนาคตต่อไปแล้วก็มาแบ่งแยกย่อยอีกนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยากละเอียดเลวประณนีตไกลและใกล้ทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงก็เพราะมันสิ้นไปอะนะมันมีความสิ้นไปโดยลำดับวัยเป็นต้นเ น, นะมันก็สิ้นโดยลาดับวัยสิบปีที่หนึ่งก็ไม่ถึงสิบปีที่สองหรอสิบปีที่สองก็ไม่ถึง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 เป็นต้นเนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตก็หลดุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเนี่ยนะพันอานาตตาในพระพระพุทธเจ้าตรัสนี้ระวังมากเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอพิสูจน์ทั้งหลายข้าพระองค์ไปเอพิสูจน์ทั้งหลายสมมติว่าเขลียทา่าพระพิสูจไปทําความเสียหายมาเนี่ยนะเออก็เป็นอนาตตา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 เส้นตรงฉันใดไอ้เหมือนเหมือนถนนทั้งหลายถนนคืออะไรก็คือเม็ดหินเม็ดทรายมาเรียงกันยาวๆเรียกว่าถนนชวันะที่มันเป็นไปอย่างนี้ให้มันยาวและต่อเนื่องเรียกว่าสมาธิสมาธิาธที่ฝึกแรกๆมันก็เป็นคณิกามันก็ธรรมดาติดๆขาดๆเรื่องโน้นบั่งสลับเรื่องนี้บั่งวุ่นวายไปหมดแล้วตัดจากเรื่องอื่นๆให้มาเป็นเรื่องเดียวเช่นอานาปานสติก็เป็นอานาปานสติพัฒนาคุณภาพ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 นยะอื่นๆก็นยะเดียวกันเนยนะเพราะว่าสมาธิมีวิตกเมตตากรุณามุทิตาก็เป็นเป็นอย่างนี้นะหรือกสินหรืออานาปานสติเป็นต้นก็ให้เป็นภายในลักษณะเดียวกันให้เป็นสมาธินนโดยคณิกะอันนคณิกะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาอัปปนาปฐมฌานสมบูรณ์ทั้งวิตกวิจารณันนัแล้วก็ทุติยฌ า, านเอาวิจารออกตัติยฌ า, านเอาวิททุติยฌ า, านเอาวิตกออกตัติยฌ า, านเอา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 หรือไม่ก็เครียกว่าประเภทอะไรนะอ่ ะ, ส ะ, อะสะสังขาริกชวนชวนกว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถูกชวนสนํมมติว่าถูกเกลี้ย ก, กล่อมมากเหลือเกินกว่าจะทําอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะอย่างฟังธรรมนี่ต้องเกลี้ยกล่อมขอร้องแล้วขอร้องอีกกว่าจะไปได้เนี่ยนะพว น, นี้สะสังขาริกแรกๆ ก, ก็โ อ, อะสะสังขาริกด้วยยา nawipayud ไม่รู้เรื่องเลยทนทนทนท น, ทนพว น, นี้เป็นญา nawipayud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 พระพุทธเจ้าหน้าสงสารหรือเราหน้าสงสารนะ <c oughs> <c oughs> ก็ดูเอานะใครหน้าสงสารก็ว่ากันไปอีกในหนึ่งถ้าบอกว่าสมาธิสามคือสุญญติสมาธิอนิมิตติสมาธิและอปปนิหิตติสมาธิเนี่ยนะสุญญติสมาธิคือสมาธิที่ว่างจากโรคะราคะโทสะและโมหะอานิมิตติสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิต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 เจริญผู้ฐานุสติเป็นต้นให้เป็นนะนะเจริญให้เป็นให้เจนอ่ให้จิตใจเป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณทั้งหลายพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกนะทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกพูดถึงภาวเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคืออะไรย้อนกลับมานิดหนะึ่ง กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญก็คือสามารถพิจารณารูบ ป, ประคันจนเจริญอสุภะแล้วบรรลุฌานได้ฌานที่มีอสุภะเป็นอารมณ์ชื่อว่ากายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญอั้นทำหนึ่งที่ควรเจริญก็คืออสุภะฌานนั่นเองทำสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสสนานะ